การเห็นและการรู้ความคิดเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันการรู้คือการเข้าไปในการคิดและความคิดก็คงดําเนินต่อไปแต่เมื่อเราเห็นความคิดเราสามารถหลุดออกจากความคิดนั้นได้หลวงพ่อเทียนจิตตสุโภ ได้สนทนากับญาติธรรมที่ได้มาพูดคุยกันเรื่องที่พูดคุยสนทนานั้นก็เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติการเจริญสตินี่แหละปัญหาส่วนมากที่พบในการเจริญสติก็คือเรื่องของการเห็นความคิดบางท่านบอกว่ามันคิดมากคิดเยอะ คิดทีไรมันก็ฟุ้งไปกับความคิดบางทีก็รู้นะรู้ว่ามันคิดแต่ว่ามันไม่ออกจากความคิดได้ทั้งที่รู้ว่ามันคิดแต่ก็ยังติดอยู่ในความคิดยิ่งอยากจะออกจากความคิดมันก็ไม่ออกแต่รู้มันยังอาจจะฟุ้งบางทีเหมือนคนจะเป็นบ้าเนี่ยคิดถ้าหากว่ารู้ความคิดต่อไปเดียสงสัยจะเป็นบ้าเพราะมันคิดมากเหลือเกิน เวลาหลงก็หลงนาน ท, ทั้งที่ตั้งใจไว้แล้วเยวันเนี้ยรู้ว่าเราตั้งใจแล้วว่าเราจะเจริญสตินะพอเริ่มต้นว่าจะเจริญสตินะมันก็มีสติขึ้นมาบ้างแต่วันทั้งวันเนี่ยในชีวิตประจําวันเนี่ยมันไม่มีสติเลยลืมหลงลืมสติไปนานมารู้ตัวไอทีก็ตอนก่อนจะนอนโอ้วันนี้ตั้งใจว่าจะเจริญสติ แต่เพิ่งมารู้ตอนที่ก่อนจะนอ น, นคือหลงไปนานนี่ทั้งผู้เก่าผู้ใหม่ผู้มาปฏิบัติใหม่ๆคือผู้เริ่มต้นแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติมาแล้วก็จะมีปัญหาแบบเนี้คือฟุ้งร้างแล้วก็ไม่ยอมหยุดอันนี้คือปัญหาบางทีเราต้องทํามาเข้าใจก่อนว่าชีวิตของเราแต่แต่ละวันเนี่ยเราใช้ความคิดมากอันนี้ เ, เรื่องปกติธรรมดา การทำงานการใช้ชีวิตมันก็ต้องใช้ความคิดนี่แหละเรื่องธรรมดาเราเคยทิ้นที่จะใช้ความคิดไม่ได้กลับมาดูตัวเองการค้าขายอันนี้ก็ต้องใช้ความคิดเพราะต้องพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาการเป็นครูการเป็นหมอเป็นพยาบาลอันนี้ก็ต้องใช้ความคิดมาต้องมีลูกศิษย์ลูกหา การบริหารงานบริหารงานบริหารคนนะอันนี้ก็ต้องใช้ความคิดมากเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเราเคยชินที่ต้องใช้ความคิดอันนี้ก็ไม่ผิดนะนเป็นเรื่องธรรมดาถือว่าเป็นความเคยชินแต่เราไม่เคยมีความเคยชินที่จะกลับมาดูตัวเราเองเรายังไม่เคยที่จะมีสติรู้กายรู้ใจเราของเราเลยเรามัเจะส่งจิตออกข้างนอกอนค ก, การทางาน เคยชินที่จะขาสติไม่เคยชินที่จะมีสติแม้แต่อยู่คนเดียวก็ตามไม่มีอะไรทํายิ่งแล้วใหญ่เลยยิ่งไม่มีอะไรทํานี่เราก็ต้องหาเรื่องคิ ด, ะคดนะคิดนู้นคิดนี้อางทีใจมันสบายสบายอยู่นะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาแต่พอหาเรื่องคิดเออมันก็เท่ากับหาเรื่องทุกข์ะใจต้องเป็นทุกข์ต้องวิ่งไปวิ่งมาเพราะความคิดนี่แหละ ใหนน้เป็นความเคยชินให้เราทํา ม, มาเข้าใจว่าอ๋อไม่เรื่องธรรมดานะ เ, าเรื่องความคิดมากอันนี้เรื่องธรรมดาที่นี้ว่าเรามีวิธีการที่จะออกจากความคิดหรือมีสติขึ้นบ่อยครั้งคือจะสามารถพัฒนาการจริตสติได้มากขึ้นกว่าเก่าบางทีเราต้องอาศัยรูปแบบต้องอาศัยรูปแบบสักหน่อยคือต้องมีการฝึกัดมีแบบฝึก ให้กับตัวเรารูปแบบต่างๆของการเจริญสติเนี่ยมีมากให้เราเลือกใช้ได้เราถู้ว่าเราเป็นผู้ใหม่ก็ต้องอาศัยรูปแบบเป็นเครื่องช่วยรูปแบบการเจริญสติเนี่ยก็เช่นว่าการเดินจงกรมเดินแต่ละก้าวเนี่ยให้รู้สึกตัวให้รู้ตัวว่าเรากำลังเดินสัก1ิบเอก้าวอันนี้ก็ได้นะ ต้องหาเวลารูปแบบเนี่ยต้องอาศัยเวลาเนี่ยปรีตัวเราอยู่คนเดียวในช่วงเวลาของการฝึกปฏิบัติการรู้ลมหายใจลมหายใจนี่ก็เป็นรูปแบบนะหาย ใ, ใจเข้านี่ก็รู้สึกเราที่หาย ใ, ใจออกนี่ก็ให้รู้สึกตัวไปด้วยหาย ใ, ใจเข้าก็รู้หาย ใ, ใจออกก็รู้เพื่อจะเคลื่อนไหวมือตามจังหวะ และก็มีสติตามรู้ในการเคลื่อนไหวของมือทุกครั้งที่มือมันเคลื่อนเราก็รู้สึกมีสติรู้สึกตัวขณะมือกำลังเคลื่อนไหวไปมาอันนี้ถืเป็นรูปแบบหนึ่งเหมือนกันมันจะต้องมีฐานให้จิตนิเกาะฐานของกายเคลื่อนไหวนี่แหละสามารถทำให้จิตนิเกาะได้นานจิตก็เลยตั้งมั่นไม่หลงไปนาน มีที่เกาะมีที่รู้อยู่เป็นการสร้างความเคยชินที่จะรู้สึกอยู่กับตัวเราบางทีมันก็ต้องมีความคิดอะไรปรุงแต่งในขณะที่เรากำลังรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวของกายเมื่อมันคิดมาเราก็รู้ได้เอาฐานของจิตในขณะนั้นเนี่ยให้สติมันเกาะรู้ให้จิตเกาะรู้ก็ได้จิตรู้จิตแล้วเราก็ วางมันซะกลับมารู่ที่ฐานกายไว้ก่อนคือต้องให้ชำนาญ น, นะต้องตระสติไปกับฐานกายในรูปแบบให้ชำนาญพอรูปแบบเราชำนาญแล้วเนี่ยเราก็จะไปเห็นจิตเห็นความคิดเห็นธรรมะเห็นอารมณ์ต่างๆมากมายสติเราต้องตั้งมัน่นรู้สึกอยู่กับตัวเราให้มากๆเราต้องฝึกอย่างนี้ก่อนหาเวลาฝึกรู้กายตาม รูปแบบให้จานาญเนี่ต่อไปเราจะรู้จิตรูเ้เรื่องต่างอีกมากมายให้มันเคยชินตรงนี้ก่อนบางที่เราข้ามขั้นตอนนี่ถ้าเราหลงหลืมสติไปได้มากนะทั้งผู้เก่าผู้ใหม่มันต้องเริ่มต้นจากขั้นต้นๆอย่างเหมือนขึ้นต้นไม้นะขึ้นต้นไม้เราต้องก้าวจากพื้นไปเกาะที่ต้นแล้วก็ค่อยปีนป่ายไปถึงระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยๆแยกอ๋อไปกิ่งโน้นกิ่งนี้ มันเกิดความชำนาญเกิดความเคยชินจากการขึ้นต้นขั้นพื้นฐานและต่อไปเราก็จะเกิดความชำนาญจะแยกกิ่งสาขาออกไปอันนี้ผู้ถึงการปลีกต้นไม้นะการเชืสติต็เหมือนกันถ้าเรายัางไปไม่ได้เราต้องอาศัยรูปแบบขั้นต้นๆลองทำดูสิก่อนบางทีมันข้ามขั้นไปมันก็ฟุ้ง ม, มากกว่าพวกน้ก็เคยนะ ปฏิบัติแบบข้ามขั้นตอนโดยแต่การปฏิบัติเลยแม้แต่การเรียนหนังสือเนี่ยผมเริ่มต้นจากเรียนหนังสือในเรือคุณพ่อคุณแม่สอนเรียนอ่านออกเขียนได้บวกลบคูณหารได้ก็ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าโรงเรียนพอ่าเข้าโรงเรียนเนี่ยคุณครูเห็นว่าอ๋อนี่อ่านออกเขียนได้แล้วนี่มาต้องเรียนป .1 แรอกขึ้นไปเรียนป .2 เลยโอ้เราก็ดีใจเนาะ ได้ขึ้นชั้นป .2 ออเลยป .1 ไม่ต้องเรียนแล้วพอขึ้นชั้นป .2 เราก็เรียนดีนะแต่พอขึ้นป .3 ตัอเองเ่ยโอ้การเรียนนี่อ่อนมากอายุภาวะของเรามันก็ไม่เท่ากับเด็กที่เรียนจากเกณฑ์ขึ้นป .3 จริงๆหรอกเราก็เรียนอ่อนมาตลอดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถือว่าหลักไม่ดีฐานไม่ดีเรียนอ่อนจกกนกระทั่งเรียนจบมันก็มาแบบไม่ค่อยดีนะเกือบตกมาตลอด มาดีตอนเรียนจบเนี่ยแล้จะมีอายุขึ้นมาหน่อยการปฏิบัติทรามก็เหมือนกันมาฝึกเจริญสติเนี่ยมาศึกษาร้ายวิธีก็มาชอบใจวิธีหลวงพ่อเทียนเนี่ยหลวงพ่อเทียนเนี่ยเน้นให้ทาความรู้สึกตัวมากๆเอากายที่เคลื่อนไหวนี่แหละมาเป็นฐานที่ตั้งของสติมันรู้สึกตัวมากๆบ่อยๆแล้วก็ไปเห็นจิต มันคิดพอความรู้สึกตัวมันตื่นรู้ม า, มากๆดิจะเห็นจิตที่มันคิดไปเพียนทางจิตคือดูจิตเลยแนวรู้ว่าเทียนนีต้องมีการเคลื่อนไหวเป็นหลังแล้ ว, ลวค่อยไปดูจิตแล้วก็ข้ามขั้นตอนเลยจะมาเคลื่อนไหวกายเดินจงกรมนี่มันเป็นไปไม่ได้หรอกเราเดินไม่ได้ยกมือสร้างจังหวะสีจังหวะก็ลองทําดูมันก็ทําไม่ได้หรอกเพราะมือมันแข็งแรงอยู่ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งมันยกไม่ค่อยขึ้น โอ้คงทำไม่ได้หรืกรูปแบบที่ท่านแนะนำมานี่เรามันมีอีกแบบหนึ่งเนี่ยคือการไปดูจิตดีกว่าเอาข้อคานที่สองเนี่ยดูจิตเลยตั้งสติแล้วก็ดูจิตก็ดูได้นะดูได้ทั้งคืนเลยนะยันสว่างแล้วยังดูไม่เลิกจิตอู้รู้สึกเพลียอ่อนเพลียมันฟุ้งซ่านมันสงสยัยมันตึงเครียดมันทุกข์อ่ะโอ้เราคงจะดูจิตไม่เป็นนะมันฟุ้งไปต่อดทั้งคืนอันนี้ คือการดูจิตแบบไม่มีหลักของเราเพราะเราดูไม่เป็นไม่มีหลักในการดูสติยังไม่ตั้งมั่นยังไม่มีความจำนาญจิตยังไม่เป็นกลางจะไปดูจิตได้ยังไงก็เลยเกิดความท้อแท้ฟุ้งซ่านท้อถ้อยความเพียรมันไม่อยากปฏิบัติเพราะเราทาไม่เป็นอาศัยที่ว่าเราไม่มีทางเลือกนะ มีทางเลือกถ้ามีทางเลือกแล้วก็เราก็ไม่ทำํทำทําอย่างอื่นซะแต่เราไม่มีทางเลือกจะต้องทําตรงนี้แล้วก็โชคดีได้คําแนะนําที่หลวงพ่อําเขียนท่านแนะนํามาท่านให้มาเริ่มต้นจากการดูกายดูกายเคลื่อนไหวเนี่ยนอนพลิกมือแล้วก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวไปการเคลื่อนไหวของมืออิเลียบทนอนให้รู้เฉย เริ่มต้นจากฐานกายเลยแล้วก็เออมาเริ่มต้นใหม่รู้กายไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็มีความคิดขึ้นมาว่าเราก็เห็นมันคิดเห็นมันคิดนะไม่ใช่ว่ารู้มันคิดถ้ารู้ว่ามันคิดแล้วก็เราก็จะหลงไปในความรู้นั่นเลยหลงไปในความคิดแต่เข้าไปอยู่ในความคิดถ้ารู้ความคิดจะเข้าไปอยู่ในความคิดเข้าไปเป็นผู้คิดมันก็คิดมากก็ฟุ้งไม่รู้จักจบ แต่ถ้าเราเห็นความคิดเราก็จะไม่เข้าไปอยู่ในความคิดเมื่อเราเห็นงูมันเลื้อยมาเราก็ไม่ได้ไปเป็นงูเราเห็นงูแล้วก็หลบหลีได้เราเห็นความคิดเราก็ทิ้งมันซะแล้วกลับมารู้ที่กายเคลื่อนไหวมารู้กายเห <Scott> ็นกายที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันคิดอีกล้วก็เห็นแล้วก็ทิ้งมันกลับมารู้ที่กายเคลื่อนไหวใช่การที่เราเห็นความคิด แล้วก็ทิง้งแล้วก็กลับมารู้ที่กายเนี่ยมาเห็นกายดูกายมาเป็นหลักเนี่ยเท่ากับเป็นการสอนจิตนะสอนจิตว่าอย่าไปนะอย่าไปกับความคิดกลับมากลับมาตรงนี้มันมีฐาน่ะมีฐานที่ตั้งของจิตจิตมันก็มีที่อยู่ก็ไม่ฟุ้งไปกับความคิดนความคิดมันก็ลดน้อยลงไปได้มันเกิดดับเกิดดับน้อยลงไปสติมันก็มากขึ้น การมีฐานที่ตั้งของจิตใจได้เนี่ยมันทำให้จิตเนี่ยไม่หลงนานแม้ว่าหลงไปแล้วก็กลับมาได้ง่ายเพราะมีที่กลับมีที่อยู่และเป็นปัจจุบันมากเกิดภาวะติดเป็นปัจจุบันสติชัดเจนเห็นกายชัดเห็นความคิดชัดมันเห็นว่าอ๋อมันมีกายเคลื่อนไหวเห็นกายเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ข้างนอก เห็นจิตที่รู้อยู่ข้างในไปเห็นกายเคลื่อนไหวข้างนอกเห็นจิตที่รู้ข้างในนี่มันเห็นรูปเห็นนามเลยนะเห็นรูปเห็นนามมันแยกรูปแยกนามและใครเป็นผู้เห็นก็คือจิตนี่แหละจิตเห็นกายเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกเห็นจิตที่มันคิดปรุงแต่งอยู่ข้างในจิตเป็นผู้เห็นนะแยกรูปแยกนามมันก็ได้หลักของการปฏิบัติเนี่ยเริ่มต้นมาจากการ เจริญสติในรูปแบบรู้กายเคลื่อนไหวเริ่มต้นธรรมดาธรรมดามันก็พัฒนาขึ้นมาเห็นปัจจุบันเห็นรูปเห็นนามเห็นทุกข์ของรูปเห็นทุกข์ของนามเห็นความคิดการเป็น บ, บัคก์เลยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ายี่สิสัมทัานใดเวลาเจริญสติแล้วมันฟุ้งมากมันหลงนานเนี่ยเราลองมาอาศัยรูปแบบรูปแบบอะไรก็ได้ที่เราชอบใจ คนที่ปฏิบัติดีแล้วดูจิตได้แล้วไม่ต้องมีรูปแบบสามารถทําในชีวิตประจำวันตามธรรมชาติได้ก็ดีนะทําไปเรื่อยๆดีแล้วเนี่ยเราไปฏิบัติดีแล้วทำไปเรื่อย ๆ, ย ไ, ย ไ, อยๆไม่ต้องอาศัยรูปแบบก็ได้แต่ถ้าคนที่ยังไปไม่ได้อ่าลองกลับมาเริ่มต้นอาศัยรูปแบบรู้กายไปก่อนตำราเนี่เขาว่าไว้ดีแล้วครูบาอาจารย์ท่านสอนถูกต้องแล้วแต่บางทีเนี่ยเรายังทําไม่ได้ตํารา ก็ถูกตามตำราครูบาอาจารย์ก็ถูกตามครูบาอาจารย์แต่จริตของเราเนี่ยมันไม่ตรงเราต้องมาฝึกมาดูตัวเราเองเราต้องรู้จักตัวเราลองดูซิว่าเราถนัดแบบไหนจริตมีแบบไหนเราต้องฝึกที่จะทำเอาเองมาผลสุดท้ายเนี่ยรูปแบบต่างๆเนี่ยเราก็ต้องทิ้งทั้งหมดเราไม่สามารถยึดมั่นถื่มั่นมันได้ต้องปล่อยวางแต่ต้องอาศัยเขาก่อนในขั้นเริ่มต้นอย่างกว่าเรา เรามีช้อนอยู่คันตักอาหารทานแล้วรู้จักวางอย่ายช้อนเนี่ยติดตัวไปไม่ต้องวางเอาไว้นะเมื่อจะไม่ต้องใช้ก็หยิบออกมาใช้รูปแบบก็เช่นเดียวกันเมื่อใช้แล้วก็อย่าไปยึดติดในรูปแบบนะรู้จักปล่อยอยู่จอกวางผลสุดท้ายเนี่ยรูปแบบของการปฏิบัติก็ไม่มีหรอกเป็นเพียงแก้เครื่องอาศัยไปเพียงอุบายในการเจริญสติเท่านั้นไม่มีใครเข้าถึงตามด้มีแต่สติปัญญาเท่า น, นั้น ที่จะเข้าถึงธรรมผลสุดท้ายธรรมเท่านั้นที่จะเข้าถึงธรรม